วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่สิบหกพฤศจิกาห้าสามพระในวัดของเราช่วงนี้มีอยู่ยี่สิบหกวันนี้ลงมาฉันสิบเก้าองค์ตามที่พระเวญ์เขาบอกหลวงพ่อไปกระถินอำเภอพิมาย วัดป่าพิมายตั้งแต่วันที่สิบสองเดินทางวันที่สิบสองวันที่สิบสามกรถิ่นพิมายคณกศร้าญาติโยมก็โหมากอยู่มาจากญาตุรทิศแต่ตุตปัจก็องค์กถินก็ได้มากอยู่เพราะว่าจะได้ซ่อมแซมเสนาสนะถนนโหนทางห่องน้ําห่องท่าอะไรที่น้ําท่วมอะ น้ำท่วมมากและพิมาพระในวัดบินทบาทไม่ได้ได้นั่งเรือยนไปสิบกว่าวันน้ําท่วมนครราชสีมาเป็นประวัติการ์เป็นประวัติศาสตร์ในการที่น้ําท่วมนะครราชสีมาปีนี้ปีห้าสามแล้วตนน้ำท่วมพิมาอีกหญยาเนี่ยตายมดนะในวัดนะมีแต่ต้นไม้ต้นไม้ เล็กต้นไม้น้อยที่พวกไม้สักเนี่ยไม่เหลือเลยว่างั้นนะมีแต่ไม้ต้นใหญ่ๆที่เป็นไม้ในทุ่งนาเขาอยู่แล้วเออแ้นก็ทนทนน้ำอยู่ก็ไม่ค่อยตายมากเท่าไหร่ดูๆก็ยังเขียวสุ่มแล้วก็วันที่สิบสามทอดวันที่สิบสี่พักพ่อพักพ่อเพื่อจะ เดินทางกลับวันที่สิบห้าพหลวงพ่อมีนัดหมอตรวจเลือดเกี่ยวก็จะทําตาเกี่ยวก็จะทําตาอะไรนัดหมอที่ขนแก่นแล้วมาฉันที่ค้นแก่นวันที่สิบน้าสิบห้าเมื่อวานเนี้ยมาตรวจตาจริงเลเซอร์อีกแล้วก็ตรวจหาไข้พงไขมันอีกตุตัวนมันก็นเจอแล้วละวะ เพื่อจะไปผ่าตัดตาหมอเขาก่อนที่จะผ่าตัดตาเปลี่ยนต้อกระจกก็ต้องให้ตรวจเลือดซะก่อนก็เลยปฏิบัติตามหมอเขาเมาื่อวานพอนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลทางโยมทางอุดรก็โทรศัพท์เข้าไปบอกโยมที่ติดตามบอกว่ารุงตาไม่ค่อยสบาย มาตั้งแต่วันที่สิบสองนั่นแ่ะสืบเนื่องมาแต่วันนี้มือเช้าเนี่ยไม่ได้บินทบาทเราก็เลยได้สราบข่า ว, าวแล้วก็โทร ก, กลับไปถามเดียวนั้นเลยอาการเป็นยังไงฟังๆแนละ้วโอูอาการดวงตาหนักจูอาเจียนหลายครั้งอายุมากขนาดนั้นอาเจียนเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีจากนั้นพอหลวงพ่อตรวจ ตรวจตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พวกคณะแพทย์ก็เข้ามาหลวงพ่อก็เลยบอกอพวกเราในฐานะลูกหลานมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะศรีนครินนะต้องร่วมแรงร่วมพลังช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรด้วยทั้งกรุงเทพด้วย ทั้งสีนะคริณ์ด้วยควรจะปรึกษาปารบกันควรจะหารือกันให้เป็นเอกฉันไม่ใช่ว่าคนนิโยนใอ้คนนั้นค น, นนั้นโยนใอ้คนนี้หลวงตาไม่ใช่ของผู้ใดไม่ได้นะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคือหมอทุกคนต้องรับผิดชอบเพราะหลวงตาเป็นพระสาธารณะเป็นผู้เป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติไม่ต้องบรรยายหรอก พวกเรารู้แก่ใจคืออะไรถ้าพวกเราไม่รู้ลใครจะรู้คุณูปการของลุงตาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะหมอทุกท่านนะไปไปชุมหารือกันจะรักษาลุงตาอย่างไงแต่นี้เขาก็เลยบอกกันทั้งคณะบอดีทั้งพอ อ, อ่อทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลอุดร ก, ก็หมอเกี่ยวข้องเขาเอาไปด้วยทั้งสิริราชก เอาขึ้นมาหมอเกือบสิบมั้งห้าหกหมอมั้งหกเจ็หมอรนะูดูเมื่อวานนะหมอใหญ่เกี่ยวกับทางเดินอาหารลำไส้ขึ้นมาเมื่อวานมองดูแล้วหมอประชุมกันเกือบสามสิบหมอนะหมั้งเมื่อวานนะี้อาจจะเกินก็กไม่รู้อ่างั้นนะแต่พะมันนั่งเต็มไปหมดเลยแถบนะั้นหลวงพ่อก็เลยรำพบทกันนิมนต์พระที่เกี่ยวข้องมา รายงานว่าลงตาป่วยคราวนี้ตะงเป็นมาแต่แตง แ, แต่เมื่อไรมีอาการอย่างไรบ้างพระท่านก็นเลยรายงานบอกให้หมอได้ทราบพร้อมหน้ากันจากนั้นหมอทั้งหมดฟังและหลวงพ่ออา้าวกห้พออโรโรงพยาบาลศูนย์อุดรที่ติดตามงานลงตาทุกวันในความรู้สึก เป็นยังไงที่ได้มาพบมาเจอมาเห็นทุกวัน่ะแจ้งให้คณะหมอทั้งหลายได้รับทราบด้วยแต่เนี้ก็พออกับท่านก็บรรยายว่าความเป็นมาของหลวงตาตั้งแต่ป่วยรักษามาจากนั้นก็หลวงพ่อให้เอาจากหมอเพิ่มเติมอะไรไหมที่พออพูดไปเนี่ยที่จะให้คณะหมอทั้งหลายได้รับทราบ จังหวสีแจงออกมาอาจารย์นั่นก็บอกให้หมอสีนัครินอาจารย์หมอที่รักษาลงตามานมนานต่างกล้ามต่างวาระมีอะไรบ้างที่จะมันมีมีผลสืบเนื่องที่จะชี้แจงให้คณะหมอทั้งหลายรับรู้รับทราบมีไหมอาจารย์หมอบลพูดยาวเลยจากนั้นก็บอกว่านี่แหละเมื่อได้ยินพร้อมกันแล้วคณะหมอทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้ว อาจารย์หมอทางสิริราชจะวางแผนรักษาอย่างไรนี่ร่วมกันทางหมอสิริราชก็บอกว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้นิมนต์หลวงตาไปสแกนคือเอ็กซาเรทั้งร่างอย่างนั้นเถอะแบบเข้าไปในอุโมงค์อย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นได้จะดีที่สุดหมอจะได้มินิเฉยได้ถูกต้องเห็นได้ชัด มาเป็นอะไรอธิบายจบแล้วหลวงพ่อบอกว่าที่จะนิมนต์หลวงตาเข้าไปในโรงพยาบาลเนะี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยหยุดคิดได้ไม่ได้ลงตาไม่ไปในเมื่อหลวงตาไม่ไปลวขั้นตอนต่อไปพวกเราจะร่วมกันรวมหัวกันร่วบใจกันใจของคุณหมอทั้งหลายเนะี่ย จะรักษาอย่างไรขั้นตอนต่อไปในเมื่อหลวงตาไม่เข้าโรงพยาบาลเมื่อหลวงตาปฏิเสธแต่แลก็มาถกเถียงกันทำความเข้าใจกันแนวเป็นไปได้เออใช้เวลานา น, านพอสมควรเมื่อวานเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยมาถึงบัดป่าบันดาประมาณสี่ห้าโมงมัเมื่อวานสี่โมงห้าโมงก่าจะไปชมเสร็จเกือบสองทุ่มจากนั้นหลวงพ่อก็เลย ขึ้นไปกราบลงตาไม่ได้กราบหรอกไม่ไม่ได้ขึ้นไปพบท่านหรอกท่านนอนอยู่ในห้องนะแต่เขาเปิดหน้าตา่างไว้ก็เลยเข้าไปมองมอ ง, มองดูท่านก็นอนพักมีเตเหนื่อยเหมือนกันมันมีพระสงองค์เขาอยู่เขาไปปนในบันิไปดูแลท่านใกล้ๆแต่ไม่ได้จุดไฟสว่างอะไรหรอกหลวงพ่อก็เลยไปกราบแต่ข้างนอกพอกราบเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยกราบลาท่าน กลับวัดเมื่อวานมาถึงวัดนสี่ทุ่งเ ม, มื่อคืนสี่ทุ่มกว่าๆนี่แหละอันนี้ก็คืออาการป่วยของหลวงตาพวกเราก็คงอยากจะทราบนะอาการหนักไหมก็ค่อนข้างหนักเพราะอายุมากถ้าท่านเมื่อท่านป่วยที่เป็นหัวแม่เท้าเราก็มองเห็นว่าเป็นอะไรแต่เป็นในท้องเนี่ยเขาก็ โยงกันไปหมดเลยอาจจะมีเอเชื้อโรคเข้าไปในกระแสะเลือดทําให้ท้องปั่นป่วนสุขภาพร่างกายปั่นป่วนก็ว่ากันทีนี่อตามวิเคราะห์ข อ, ของหมอตลงพ่อกับพี่ผู้ฟังฮนะสรุปแล้วหลวงพ่อเหวนนะคณะสงฆ์ทั้งหลายหมอบความไว้ฟังใจกับคณะอาจารย์หมอทั้งหลายทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้คณะอาจารย์หมอทั้งหลายให้ปรึกษากัน เนีเพราะว่าอันนี้คือหน้าที่ของหมอแล้วไม่ใช่หน้าที่ของพระล่ะหน้าที่ของหมอเพราะฉะนั้นหมอทุกท่านจะรักษาโรงตายอย่างไงในครั้งนี้ในคราวนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเข้าไปไม่ใช่นะให้ใครรวมกันซะก่อนจะให้ใครเป็นผู้เข้าไปรักษาไม่ลงตาไม่ชอบนะรุมร่าต่างคนต่างไปตรวจต่างคนต่างไปทาต้องมีคนเดียวหรือสองคน แต่ว่าในสองคนนั่นก็กลุ่มใหญ่ก็ต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกันซะก่อนยังให้สองคนเขาไปรักษาอย่างไรแต่หมอทั้งหลายลงมติกันเมื่อวานบอกวา่วาหลวงตาน้ำอยู่ในท้องมากคือตามปกติคนเราเนี่น้ำอยู่ในตัวคนเราเนี่ยสิบลิตรน้าหมุนเวียนในร่างกายนี่ยสิบสิบลิตรเป็นอย่างน้อยแต่หลวงตาน้าอยู่ในท้องฝาผนัง ลำไส้หัวผนังกระเพาะมันไม่ซึมซับน้ําอยู่ในท้องก็ทําให้เวลาทานอาหารเข้าไปก็อาจเจียนออกมาเพราะมันน้ําในท้องมันเต็มอยู่แล้วมีทางเดียวต้องให้รงต่างงดอาหารไม่ให้ลงตาฉันอาหารเลยแล้วเอาอาหารเข้าทางเส้นเลือดพวกวิตามินโปรตีนนเอาเข้าทางเส้นเลือดไม่ใหเ้เอาเข้าทางกระเพาะถ้าเข้าทางเอาทางาทาง ชั้นอาหารเนี่ยมันจะอาเจียนออกมาทันที ห, หมออธิบายเป็นไปได้ไหมขอให้พระให้ความร่วมมือแต่หลวงพ่อก็เลยให้ความเห็นว่าตามไม่จริงแนวความคิดของหมอมันมันก็ถูกต้องแต่ว่าจะลงมือปฏิบัติอย่างนั้นลูกศิษย์ลูกหาลงตามีมากนะเดี๋ยวก็จะให้โอ้โหลงตาขนาดที่ยังไม่ให้ชั้นอาหารอกีก หลวงตาหิวอาหารไม่ให้หลวงตาฉันอาหารอีก เ, อเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาเข้าใจผิดกันอีกเถไหนทำไมหมอจึงทรมานหลวงตาถึงขนาดนี้อันนี้ก็คือความคิดเห็นมันจะเกิดขึ้นเพราะมันลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามากแต่ตาม่จริงถ้าหมอลงมติกันอย่างนี้แล้วทางที่ดีหลวงพ่อวันน่าจะทำเป็น แถลงการเรียกว่าบอกกล่าวเรียกว่ามีใบบอกอว่ามติคณะแพทย์มีความเห็นว่าการรักษาลุงตาเนยต้องรักษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แจกไปแล้วก็ห้ามคนเยี่ยมอีกต่างหากาถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นหลวงพ่อว่าความกดดันของคณะสิทธิ์ทั้งหลายก็คงจะ คงจะรู้เรื่องกันแต่ถ้าว่าเราไม่ทําอย่างนั้นแล้วมีแต่คิดในใจของใครของเราเนี่ยโอ้ปัญหาแน่ๆ น, นะลูกศิษย์ลุงหาลงตานี่มากานี่แหละคือได้หาเรือกันในวงกว้างเมื่อวานเลยก่อนที่จะลงเอ่ยกันได้จากนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่ไม่มได้ฟังเลยแต่คณะหมอเขาก็หาเรือกันอีกต่ออีกนั่งสมกันอืนอีกว่า ง, งั้นเถอะ เพื่อหาเรือกันแต่ของหลวงพ่อก็ได้ออกมาก่อนเมื่อวานเนี่นี่แหละวันนี้คิดว่าฉัดยังหันเสร็จอ ม, มีอะไรหลวงพ่อคงจะบอกถามข่าวไปทางบ้านตาดาไม่มีอะไรถ้ า, าการหลวงตาดีขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าหลวงตาไม่นั่นหลวงพอ่อหลวงพ่ออาจจะเข้าไปกราบวงหลวงตาอีกในวันนี้จะทํายังไงได้ล่มโพล้มใส่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ อย่างน้อยก็เราเป็นสิทธิอนุสิทธิ์ลูกหลานถึงจะไม่เป็นหมอเป็นแพทย์เราก็คลืนจะเข้าไปช่วยกันช่วยกันแนวความคิดแต่จะไปทำจะไปช่วยกันให้ท่านหนักใจท่านะเข้าไปแล้วให้ไปทะเลาะกันคนนั้นกัดคนนี้คนนี้นกัดคนนั้นน่ะยุ่งเหยิงฟุ่นวายไปหมดนะอันนั้นเข้าไปไปท่าไรก็ยิ่งทําให้ท่านหนักใจเราเข้าไปทําให้ท่านเบาใจถ้าเข้าไปดูแล้ว มันจะเป็นเรื่องหนักใจสำหรับหมู่เพื่อนศรัทธาญาติโยมแล้วก็เป็นที่หนักใจเรารีบออกอย่าให้กลุ่มท่านหนักใจแต่เราเข้าไปแล้วเอช่วยกันพูดช่วยกันทําช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันเกื้อกูลหนุนกันมีอะไรขาดตกบกพร่องช่วยกันอันนั้นแปลว่าทําให้เบาใจทําเบาใจอย่างนั้นนะ่ะ มีประโยชน์ควรจะอยู่แต่ถ้าอืไปเข้าไปแล้วทําให้คนอื่นหนักใจอันนั้นต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันนะอไม่ใช่คิดว่าตัวเองเข้าไปแล้วจะเบาใจทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะอหลวงพ่อได้คิดแต่เมื่อวานเนี่ยก็หลวงพ่อเป็นผู้เชื่อมโยงคณะแพทย์คณะหมอ แต่ถ้าว่าหลวงพ่อไม่เชื่อมเข้าไปหมอคอนแกนเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงหมอศรีราชไม่รู้จะพูดยังไงหมออุตรนก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อก็โยงโยงก็งาหากันาอถามเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นคนเป็นท่านเป็นท่านไปคณะผอกหมอทั้งหมอศีนัครินก็นมีทั้งคณะพอดีทั้งผ อ, อ, อามาเมื่อวานะ ไ่บอกคบทีมแล้วงั้นเถอะเห็นแล้วก็อืออแต่ไม่รู้จักการวางแผนรักษาโรงตานนัจะออกมาในรูปลักษณะไหนไปบอกวว่าวันนี้จะเข้าไปติดตามดูอีกครั้งเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ดูแล้วก็หน้าวิตกกลัวงั้นเถอะลุงตายอยู่มากแต่ลุงตาเองท่านไม่วิตกท่านหรอกท่านก็บอกนะบอกกับพระบอกว่าเราจะตายเนี่ยคือหัวใจวายกับ ตายเนะตายกับหัวใจวายเนอะเราจะตา ย, นะย่านบอกบอกกับพร ะ, พระน่าคิดเหมือนกันนะั่นแะแต่ถึงยังไงก็ตามในขณะที่หลวงตาผู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ป่วยนะักพวกเราให้ภาวนานะไม่ใช่วันสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮาไปแต่ละวีแต่ละวันเหมือนกับพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะ พระสงฆ์บางกลุ่มก็เข้าไปมาลุมมาตุ้มมาลุมมาตุ้มอย่าบางองค์ก็พอทราบว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานปลีกตัวออกมาหาภาวนาโอ้ย่างอุกฤษเลยเข้าไปเจ้าจะภาวนาให้ได้สําเร็จก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะอพระสงฆ์กลุ่มที่เขาไปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ากว่าเนี่ยพระเอื ไม่เข้ามาอยู่ใกล้เลยทั้งที่รู้รว่าพระพุทธเจ้าจะพระฤๅษพานทําไมไปหาหลบกลีกเล่นอยู่ตามลําพังไม่เข้ามาดูแลช่วยหมู่พวกเพื่อนตนําหนิองที่อยากได้หน้าก็คงจะไปฟ้องพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าเอาเรียกมาสิทําไมพวกนั้นก็คงจะดีใจพระพุทธเจ้าเรียกมาก็คงจะ ดา่าว่าพระองค์นี่เนละคุณเนี่ยไม่รู้จกักเลยเราจะตายอยู่แล้วท่านถจะไปหาหลบหลีกไปอยู่ทําไมทําไมไม่มาดูมาแลกับหมู่พวกเพื่อนหนีอย่ามาใกล้เล่าเลยพระสงฆ์ก็คงจะให้พระพุทธเจ้า ว, ว่างั้นใลูกศิษย์เทวทัตหมู่กลุ่มเทวทัตเกียว่าอย่ า, างนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ถามทําไมเธอจึงไม่มาดูในเมื่อเราก็ป่วยจะบริณีพานอยู่แล้ว พระองค์นั้นก็บอกว่ากระผมรู้เคารพเทิดทูนบูชาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าแต่ว่ากระผมจะพยายามภาวนาเพื่อจะให้พ้นทุกในขณะที่พระพุทธเจ้ายัางสงระชนอยู่เนี่ยะจะตัดกิเลสให้ได้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเพราะนั้นข้าพระองค์จึงหลีกไปบำเพ็ญภาวนาเพื่อจะให้พ้นทุกขโดยเร็ว เพื่อจะให้ท่านพระพุทธเจ้าจะไม่มิพ่านพระพุทธเจ้าแนี่ยแหอสาธุสาธุสา ธ, สาธุเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเอพระองค์เนี่ยท่านองค์เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อันนี้แหละคือปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชาเนี่ยเลิศกว่าอามิชบูชาอามิชบูชาเนี่ยนี่พวกท่านทั้งหลายมาดูมาแลมาอปฏิบัติอันนี้คืออามิชบูชา อันนี้เขาไปภาวนาเพื่อตัดเพื่อจะหาทางพ้นทุกจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอันนี้คือปฏิบัติบูบชาเรายกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติบูชามากกว่ า, ามิจฉบูชานะถูกต้องแล้วที่เธอทาอย่างนี้เธอคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้ว น, ะนี่แหละพระในครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันนะ วั้นพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นร่มผูร่มไส้พวกเรายังมีอยู่ก็ขอให้พวกเราภาวนายังไงถึงจะพ้นทุกยังไงถึงจะถึงฝั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์โรงโรวยไปแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ใช่ธรรมดานะดินฟ้าถล่มนะวันเงียบเหงาไปพอสมควรนะก็ไม่ใช่ธรรมดานะรับพรนรโมทนาให้พร